วิธีทรรมสมาธิเรื่องของธรรมะที่จะนำมาในโอกาสนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งปัญหาในการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่ ว, วไปสมัยเมื่ออัตมายังเป็นศิษฐ์ท่านพระอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสาน คนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่แกอายุมากแล้วต่อมาในสมัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สัมนึกในการสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมเป็นของคู่กัน เช่นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิหรือสัมมาธิติมิจฉาทิตฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความถูกกับความผิดนั้นพระองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงคู่กันดังนั้นปัญหาเรื่องการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลทัทธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมากล่าวเรื่องถูกหรือผิดอยู่ในความตั้งใจ หรือเจตนาของผู้ทำถ้าหากบำเพ็ญสมาธิมุ่งจะให้จิตสงบให้จิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีหรือกิเลสโลกโรดหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่น นอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์จัดว่าได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้นในระดับต้นต น, นี้ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูก แม้แต่ผู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอระหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาสกัถาคาอนาคาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอระหันต์และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอระหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นพระอรหันตมัชยยังไม่สมบูรณ์ จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตลงไปให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลส ต, ตัวไหนมาก และควรจะแก้ไขอย่างไรนี้เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกจะว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั้นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้อะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องนอกตัวนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองแล้วก็ตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นละ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเราไม่สามารถจะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติหรือบาเพ็ญเพียรภาวนาแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้อันนี้เป็นความคิดความเข้าใจของอัตมาตัวผู้เทศที่นำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านทั้งหลายก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยคิดพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใด ในฐานะที่อัตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้นําเรื่องของการปฏิบัติสมาธิตามสายท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่กันฟังมายเหตุพระอาจารย์เสากันตาสีโลเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับในการบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเทระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสานบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอัตมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาอุบลโดยกาเนิดท่านอาจารย์เสาเกิดที่อาเภอเมือง ท่านอาจารย์มั่นเกิดที่อำเภอโคงเจียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยเพียงแค่การให้รู้หลักธรรมท่านอาจารย์เสาเป็นพระเทระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาสอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ พราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกท่านมีความเข้าใจละเอียดลอดีมากหมายเหตุผู้อ่านตามหนังสือประวัติหลวงปูมั่นเด็กล่าวถึงการศึกษาปริยัตการศึกษาบาลีอย่างจริงจังของหลวงปูเสาและหลวงปูมั่นซึ่งระบุไว้ว่าทั้งสองท่านนั้น ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาปริยัตศึกษาบาลีพอสมควรเลยนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ย้ำว่าความสำคัญในการศึกษาปริยัตนั้นจำเป็นมากเพื่อให้การเผยแผ่ธรรมนั้นถูกต้องตรงทางตามแบบแผนคือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอธิบายสับใช้สับได้ตรงกันนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าพระป่าสายกรรมฐานนั้นไม่สนใจปริยัต ก็เพราะไปเห็นคำสอนที่ท่านสอนคนบางคนที่ศึกษาปริยัติมามากและฟุ้งในด้านทฤษฎีท่านก็บอกว่าให้วางไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วมาเน้นที่การภาวนาเพราะถ้ายังไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงจริงก็ไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้จริงแม้จะจดจำพระตายปิดกได้ทั้งหมดก็ตามท่านอาจารย์เสา สอนกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดหลักภาวนาพุโทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาวจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิภาวนาพุโทพโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลว่าอะไร ถามไปทําไมแล้วท่านจะย้ําว่าให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วการภาวนาให้มากๆทําให้มากๆทําให้ชํชนานีชํานาญในเมื่อตั้งใจจริงผลที่เกิดขึ้นไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่าภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ต้องลงมือทํา แม้ว่าผู้ถามเห็นผลมาแล้วท่านให้คาตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าหากว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาอย่างไรเพียงไรแค่ไหน ท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมฐานจากสำนักไหนก็ตามเช่นจะไปเรียนจากสำนักสัมมาอาระหังยุบหนอพองหนอหรือกำหนดนามรูปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอย่างจริงจังจะว่าเอาจริงเอาจังเชื่อกันจริง อย่างสมมุติว่าอาจารย์ของท่านหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านเป็นนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้งแต่ละครั้งขอให้ทําได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ท่านใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่า เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าพุทธโธนี้เป็นคำบริกรรมภาวนาในอนุสติสิทข้อพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึง8เรียกว่า ต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบในการภาวนาในข้อนั้ น, น, นการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้แค่อุปจารสมาธิไครจะภาวนาอย่างไหนแบบใดก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปแค่อุปจารสมาธิ มาเหตุผู้อันสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยู่ที่อารมณ์อันเดียวแบ่งเป็นสามระดับหนึ่งคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ 2. อุปจาราสมาธิสมาธิจวนจะแน่วแน่สอัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่ คณิกะสมาธิเป็นสมาธิอ่อนๆซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างสมาธิระดับนี้ได้สมาธิระดับนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกำลังอ่านหนังสือหรือกำลังจดจ่อในการงานอยู่และขณิกาสมาธินี่ละที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่ปรารถนาที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาสติปัฏฐานสี่อันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ต้องเริ่มจากคณิกะสมาธิก่อน อุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เริ่มเป็นหนึ่งข้อสังเกตง่ายๆคืออารมณ์กรรมฐานเริ่มเป็นหนึ่งเสียงหรืออารมณ์ภายนอกไม่สามารถเข้ามารบ ก, กวนให้อารมณ์กรรมฐานถอยออกมาง่ายอุปจารสมาธิเป็นภาวะที่สามารถระงับเรื่องอารมณ์รักใครความคิดร้ายต่อผู้อื่นความง่วงและความฟุง้งซ่านหรือที่เรียกว่านิวรณ อปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่แนบสนิทเป็นการเจริญสมาธิในขั้นชาญถือเป็นความสาเร็จสูงสุดของการเจริญสมาธิท่านเปรียบว่าคณิกาสมาธิเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินอุปจาราสมาธิเหมือนเด็กที่เดินได้คล่องและเริ่มจะวิ่งและอัปนาสมาธิเหมือนเด็กที่วิ่งได้อย่างคงล่องแคล่ว